เรื่องสมุิแดนไม่อยู่ปราศจากไกรจีวรวงเล็บติจีวราวิปปวาตพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมุิแล้วสงจงสมุิสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไกรจีวรเป็นหมู่บ้านและอุปจารแห่งหมู่บ้าน